ตั้งใจในการสดับรับฟังธรรมกันก็เพื่อให้สิ่งที่เรายังไม่รู้ก็จะได้รู้สิ่งใดที่สงสัยก็ทำลายความสงสัยได้แล้วศรัทธาอันใดที่ยังไม่เกิด เราฟังก็เกิดก็เลื่อมใสป่องใสกุศลที่ไม่เกิดก็เกิดขึ้นจิตที่ฟุ้งซ่านก็ตั้งมั่นได้ฉะนั้นในเรื่องของคุณพระพุทธ เ, เจ้าประธรรมและคุณของพระผู้ปฏิบัติชอบ ถ้าใครได้ระลึกบ่อยๆก็เท่ากับเป็นการได้เจริญเจริญอนุสติเป็นกรรมฐานที่ทำให้ใจของเราเจริญอยู่ในกุศลและก็ไปสู่ความสงบจนถึงความสงบระงับในกิเลสทั้งหลายทุกคนก็ทราบว่า พระพุทธเจ้าของเราทุกคนพระองค์ได้ตรัสรู้รรมมาด้วยความยากลำบากแต่การตรัสรู้นั้นมีอานิสงส์ให้กับเราท่านทั้งหลายนั่นเป็นธรรมะที่ยังให้จิตของเราเองรู้ทุกและเหตุของความดับ รอมทั้งมีผู้ที่ได้มาประพฤติปฏิบัติตามจนได้มรรคผลกันไปมากตั้งแต่ครั้งที่พระองค์มีพระชนอยู่จนถึงบัดนี้อานิสงส์ของการฟังธรรมอานิสงส์ของการได้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรม และอานิสงส์ของการที่ได้รู้ในสัจจะความจริงอันเป็นขั้นปรมามิธรรมเมื่อผู้ใดได้ลงมือปฏิบัติจริงบุคคลนั้นก็พึงรู้เห็นได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่กำหนดการเวลา ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยใดธรรมะใครที่ปฏิบัติจริงก็เห็นจริงและก็รู้จริงรู้แบบหมดจากความสงสัยที่เขาใช้มารู้แจ้งรู้อย่างมีดวงตาเห็นธรรมด้วยนะ แสดงว่ารู้แบบมีธรรมจักสุไม่ใช่รู้แบบที่เราคิดว่ารู้กันนั่นเขารู้แบบมีธรรมจักสุมีดวงตาเห็นธรรมเหมือนพระัญญาโกณทัญญาท่านมีดวงตาเห็นธรรมะจริงๆ แล้วตนเองก็สามารถที่จะบรรลุคุณธรรมตั้งแต่เริ่มจากพระอริยบุคคลชั้นเบื้องต้นจนถึงเป็นพระอาราหันต์นั่นแสดงว่าเขาปฏิบัติจริงตรองธรรมะแล้วก็รู้มีธรรมะวิจยะเขาศาสตร์สองธรรม เรามีวิมังสาได้ตรีตรองพิจารณาเห็นแจ้งธรรมรู้ธรรมผลของการปฏิบัติบางทีก็เพียงฟังธรรมแล้วก็จบลงบรรลุแล้วบางท่านบางคนเนี่ยพอฟังธรรม ในขณะฟังธรรมเนีน่ยบรรลุบางคนฟังธรรมจบแล้วก็บรรุบางคนก็ต้องไปปฏิบัติต่อใช้ความเพียรก็ไม่มากเท่าไหร่ก็บรรลุได้บางคนต้องใช้ความเพียรแบบยิงยวดจิงบรรลุ นั่นก็คือวาสนาบารมีของปัญญาที่ได้สั่งสมมาเปียนจนตาบอดเท้าแตกจิงบรรลุบางคนก็สบายบรรลุได้ง่ายแต่จิงบอกว่าวาสนาการสั่งสมไม่เหมือนกันบางคนปัญญา บางคนต้องใช้ความเพียรบางคนต้องอบรมสติให้มากพอจนสติแก่กล้าแล้วก็มาทะลุทะลวงกิเลสน้อยใหญ่ฉะนั้นคนที่ฟังธรรมะเมะตรองพิจารณาน้อมรรมอบรมจิตอบรม กายวาจาใจมีสติอันตั้งแล้วเนี่ยเชื่อได้ว่าบุคคล น, นี้จะได้รับประโยชน์โดยสมควรแกท่ทำดัะนั้นใครที่ยังต้องใช้ความเพียรในการปฏิบัติไม่ว่าทางกาย ทางวาจาทางใจที่ต้องอาศัยความเพียรอยู่บางครั้งเนี่ยเราก็ต้องพบกับเบทนาจนถึงเวทนากล้ามีเวทนาที่กล้าบิบคั้นมากบางคนก็ได้สติตอนที่เวทนากล้านั่นแหละ กำหนดไปเห็นทุกข์มากเป็นอยู่ด้วยการถูกบีบคั้นมากเป็นสภาพทนได้ยากมีใจที่น้อมสู่ความไม่ปรารถนาความเกิดเพราะเห็นสัจธรรมคือทุกข์เพราะถูกบีบคั้นมากนะบางคนต้องป่วยก่อนนะเจ็บป่วยหนัก ตอนดีๆเนี่ยฟังทำไม่รู้และก็ไม่น้อมทำเลยไม่น้อมแต่พอเจ็บป่วยหนักเข้าทำที่ฟังผ่านๆเนี่ยมาปรากฏหรือธาตุรู้ที่มีอยู่มาปรากฏอยู่ข้างในฉุดคิดขึ้นมาในเรื่องของธรรมอันถูก ความทุกข์เนี่ยย่ำยีเห็นธาตุขณะที่แปรปรวนอยูนะ่รู้เลยว่านี่คือลักษณะของธาตุสีเราไม่สามารถควบคุมได้หรือจะสงบระงับเขาให้อยู่อาการเช่นนี้ได้นี่คือสภาพทุกข์เราจะยกจิตนี้เสียออกจาก กองสังขารแห่งร่างกายที่ยึดมั่นหมายตั้งแต่เริ่มเกิดในคันที่เรียกว่าปฏิสนธิจนถึงบัดนี้เนี่ยเราเห็นอัตภาพในรูปนามขันขึ้นมาฉะนั้นสติของใครก็ตามพอเกิดจริงๆเนี่ย เชื่อไมมว่าเวลาทำรรเกิดเนะี่ยจะไปเกิดอยู่ที่ตัวเวทนาตัวจิตตัวธรรมและตัวกายที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสในเรื่องของสติปัฏฐานสี่เพราะกายที่ยาววากว้างสอกหนาคืบเนะี่ยเป็นตำราอย่างดีเป็นบทเรียนอย่างดีเป็นตำราที่ ให้เราศึกษาคนเวลากำหนดธรรมพิจารณาจริงๆไม่ต้องไปมองนอกกายก็ได้มองในกายนี่แหละที่เราเคยได้ยินว่า ก, กายในกายนั่นแะมองในกายเรานี่แหละเขาจะสอนเลยรูปไม่เที่ยงก็อยู่นี่แหละในขณะรูปไม่เที่ยงเวทนามันก็ปรากฏให้เห็นก็เห็นอย่างนี้ ให้กำหนดจริงๆแล้วเราก็จะรู้ในความจริงเพราะถึงความจริงแล้วเนี่ยของที่ไม่จริงเนี่ยไม่สนสนแต่เรื่องจริงเพราะชีวิตไม่มีแก่นสารถ้าเราไปหลงเพียงน้ำพึ่งหยดเดียวเนียมันไม่ใช่หรือเหยื่อ ที่คล่อแล้วก็ลวงให้เราไปหลงอยู่กับภพบที่มีทุกต่อนะ่ะเวลาคนเขากำหนดจริงๆแล้วเขาเห็นคนเห็นทุกเห็นธรรมะถ้ากำหนดจริงนะพอเห็นทุกแล้วเห็นธรรมะแต่พวกเรานี่มักจะมักจะผิดพลาดตอนที่ว่า พออยู่ดีกินดีก็ลืมธรรมะหลงตัวตนกันพอได้อะไรที่สมความปรารถนาก็ยินดีพอใจกับสิ่งนั้นมากไปนี่คือความผิดพลาดของมนุษย์และสัตว์ถ้าเราตั้งสติดีแล้วกำหนดจิตได้นไม่มีใครหรอก ที่จะพูดว่ากายนี้เป็นสุขไม่มีกายนี้เป็นรังของโรคเขาพูดอย่างนี้นะกายนี้เป็นรังของโรคและก็เชื้อโรคเยอะจริงๆกําหนดได้พอกําหนดได้สติจเจริญเต็มที่เขาเห็นกายกายที่อยู่ในฐานะ สภาพที่ไม่ไม่ตั้งอยู่แล้วก็แปรเปลี่ยนเหมือนสายน้ำเห็นไหมไหลไปเรื่อยๆแล้วก็ไปจบ ก, กันที่มาสบุตรเป็นแหล่งใหญ่เป็นที่รวม กายของพวกเราก็เหมือนกันก็ไหลไปสู่ความตายนั่นคือแหล่งใหญ่คือที่รวมก็คือแผ่นดินที่ฝังกลบหน้าพวกเราทุกคนน้ําไหลไปสู่มหาสมุทรเป็นแหล่งรวมที่สุดร่างกายของสัตว์มนุษย์ไหลไปรวมกันที่แผ่นธรณี ระยมคิดหรือว่าร่างกายนี้มันเป็นสุขคนมีปัญญาเขาเห็นเขารู้เขาตรองธรรมพิจารณาแล้วเห็นรู้แจ้งขึ้นมาเลยพอจิตรู้เนี่ยนะมันก็หมดธรรมาหมดคือหมดความหลง ในกายแต่อาศัยเขาอยู่ไหมอาศัยเขาอยู่อาศัยเขาอยู่เรานั่งก็อาศัยกายอยู่เรายืนเราเดินเรานอนอาศัยเขาอยู่ก็แสงว่าเราอาศัยธาตุสีขันห้านี่ชัดเจนอาศัยเขาอยู่ไปไหนก็ไปด้วย แต่วันหนึ่งล่ะกายกับจิตยแยกกันไหมแยกแยกบางคนเกิดมาก็แยกกันแล้วรวมอยู่ในคันเองเกิดมาก็แยกกันบางคนก็ยาวไปอีกวันสองวันสามวันเดือนสองเดือนปีสองปีห้าปีสิบปีจนถึงร้อยปีร้อยกว่าเป็นอย่างมาก คืนกลับไปสู่ธรณีหมดร่างกายนี้ปัตวีอติเศสสติชุดโตอเปตวิญญาโนก็จริงๆก็เสมือนท่อนไม้อันทับถมแผ่นดินอันหาประโยชน์ไม่ได้จบไปอีกชาติหนึ่งในการได้มาใช้กรรมวิบากหรือเสวยในภพชาติ แก่เจ็บตายมันเป็นของภพชาตินะไม่ใช่ของเราอาวิชาตังหกที่มันห่อหุ้มและความมั่นหมายว่าเป็นเราจริงๆแก่เจ็บตายมันเป็นของภพชาติที่เราใช้กรรมวิบากในแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติถ้าทุกคนมียานอดีตย้อนกลับไปได้นะ ย้อนกลับไปได้แต่มาว่าคงจะไม่อยากเกิดมากกว่าที่จะอยากเกิดเนะชื่อว่าทุกคนจะเพียรมากกว่าที่เป็นอยู่และถ้ายงแล้วถ้ายิ่งรู้ในเรื่องของอนาคต ในกรรมของสัตว์อย่างพระพุทธเจ้ามีจุบตู ป, ปาเดยานรู้กรรมสัตว์สัตว์ทำกรรมอะไรต้องรับวิบากอย่างไรไปปฏิสนธิจุติเคลื่อนไปที่ไหนเสวยวิบากในภพไหนเนี่ยถ้ารู้นะไม่มีใครทำชั่วเลิกทะเลาะกัน เลิกอิจฉาริษยาเลิกการแย่งชิงหรือความเมามัมลุ่มหลงต่ยกจิตออกหมดเลยฉีนั้นกรรมจำแนกสัตว์โลกให้เลวหรือดีตามการกระทำกรรมมังสเต วิพัฒชติญาติทังหีนับปณิตายะไม่ไม่มีอะไรมาจำแนกชีวิตของเราได้ดีกว่ากรรมเขาจัดสรรตั้งแต่เริ่มหาพบภูมิที่เกิดและหาตระกูลของความเกิดเขาจัดสรรไว้หมดแล้วในส่วนวิบากรรมนะ ที่เราได้สร้างมาพอเรายิ่งรู้เนี่ยพอเห็นกายที่สุดก็ไปรวมกันที่พื้นทอเรณีดินกลบหน้าธรรมาเชื่อวิยมคงจะไม่ดีใจแล้วละ่ะสติพอถึงพร้อมกายแล้วต่อแต่นี้ไปเราจะไม่หลงเจ้า แม้จะไปด้วยกันเราก็กําหนดกายนั้นว่าเป็นรูปกายและกายนั้นอาศัยอยู่โดยธาตุสี่ธาตุสีอาศัยอยู่ด้วยความไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปยังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมนติสิ่งใดสิ่งหนึ่งล้วนเกิดขึ้น เป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายล้วนดับและก็ดับไปเป็นธรรมดาเข้าใจอย่างนี้จิตเนี่ยจะแข็งกระแรงจิตจะตั้งมั่นเมื่อถึงเวลาจากจิตไม่อะไรกับสิ่งนี้นะเหมือนของที่เราเตรียมที่จะสละทิ้งแล้วเนี่ย ยมไม่อะไรแน่นอนไม่อะไรอาวอดแต่ถ้าสมมุติว่าสิ่งนี้เรายัางยึดอยู่ละ่ะแล้วสิ่งนี้ต้องแตกจากไปเนี่ยแน่นอนจิตใจนี้แตกรา้าไปด้วยความอะไรอาวอนนี่มีมากจนต้องเพอร์เจอเลยละ่ะชีวิต ของเราบางอย่างของที่สูญหายเราเองก็รู้สึกรับไม่ได้นั่นเพียงของสูญหายนะเป็นวัตถุที่มีค่าชิ้นหนึ่งสูญหายไปนะหรือของรักชิ้นหนึ่งหายไปเรายังรู้สึกใจหายไปด้วยมันไม่ใช่นะ อย่าให้ใจหายด้วยสิ่งของแตกอย่าให้ใจแตกอย่าก็อย่าลืมว่าเราอยู่ในฐานะอะไรไม่ใช่จนรวยมาไม่ได้ถามเราอยู่ในฐานะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่คือฐานะของทุกคนที่แรกเกิดจนถึงตาย ท่านได้รับฐานะอย่างนี้กันทุกคนทุกตัวสัตว์ด้วยก็ดูเหมือนได้ฐานะกันพอสมควรนะพอเรากำหนดได้ไม่ว่าเส้นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเราไม่หลงรูปกายไม่หลงอวัยวะภายในกายไม่หลง ตลอดถึงสภาพที่มีอยู่โดยความไม่เที่ยงของกายเราเองยอมรับยอมรับฉะนั้นนี่คือการพิจารณาที่ดีที่สุดระหว่างการได้แยกออกแล้วกายคือรูปและนามคือใจเวลาตายเนี่ยกายไม่ไปด้วยแต่มาบอก ก็บอกแก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็นของภพชาติมันไม่ใช่ของเรานะเรามาใช้ภพเหมือนกันเรามาสเสวยกรรมวิบากในแต่ละภพแต่ละภูมินะและยืนยันได้ว่าเราไม่ใช่อยู่สภาพเดียวที่เกิดอัตภาพเดียวบางภูมิชาติถ้าเรามีก ร, รมวิบากไม่ดีก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ ฉะนั้นยมก็ต้องไปติดความเป็นสัตว์เกเกิดเราอยู่ในภูมิสัตว์โยมก็ติดสัตว์ก็ติดในรูปกายของสัตว์ไม่ใช่นะไม่ถูกต้องเราไม่ติดในรูปกายแก่เจ็บตายนั่นเป็นของในชาติที่เรามาใช้เราอย่า อย่าไปหลงถึงขนาดว่ามันเป็นเราเลยเขาให้อาศัยโดยกรรมวิบากเท่านั้นแหละพอใช้จบมันก็จบและโยมไปนั่งแคะอะไรอีกมันไม่ใช่พอแล้วพอนั่นแหละคือธรรมะ ขั้นสูงบอพอแล้วจิตมันรู้พอรู้เสร็จนะเห็นกายในกายภายในกายแยกออกมาได้คือแยกโดยสภาวะจิตกับธรรมไม่ใช่ว่าแยกหูจมูกออกไปชิ้นชิ้นแยกอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ปัญญานั่นเขาเรียกว่าแยกเป็นอวัยวะ แต่ไม่ใช่ของพวกเรานั้นใช้ปัญญาเป็นตัวแยกรูปนามไม่งั้นโยมไม่มีสิทธิ์ที่จะแยกรูปนามได้เลยก็หลงกันอยู่เมื่อเจริญสติปัญญาได้จริงต่อไปเนี่ยโยมกำหนดอะไรมันก็รู้หมด สุขเกิดยมบอกเออมันก็เวทนาทุกเกิดมันก็เวทนาไม่ใช่ตัวตนแต่เรามีสภาพรู้ในเวทนาเพราะเรามีวิญญาณอยู่เรารู้ยิ่งกำหนดไปก็เห็นไม่ว่าจะเกิดทางไหนมันก็มีลักษณะเดียวกันก็คือ ธรรมที่ปรากฏเกิดและธรรมที่ดับพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราไม่แ赖หินในโลกนี้ที่จะมีสาระยิ่งกว่าการได้แ赖หินความเกิดดับโลกนี้ไม่มีอะไรมากกว่าทุกเกิดและทุกดับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับ จงบัญญัติในเรื่องของไตรลักษณ์นี่คือเนื้อๆ เ, เลยนะในใจความของธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรองได้พิจารณาด้วยภยานอันเจ่มแจ้งแล้วเนะี่ยได้เห็นไตรลักษณ์สามัญลักษณะที่มีเสมอกันทุกตัวสัตว์เขาไม่เว้นนะเขาไม่เว้น ขณะเราจะสุขจะทุกข์เขาก็ไม่สนเราไตรลักษณ์ไม่เคยเห็นใจใครไม่คนดีคนเลวเขาก็ไม่สนเขามีหน้าที่อย่างเดียวคือบทขยี้โง่หรือฉลาดเขาก็ไม่เวนจะอยู่ในที่แจ้งหรืออยู่ในที่ลับเขาก็ไม่ไว้สถานะเดียว คือเราต้องอยู่กับไตรลักษณ์ตั้งแต่เริ่มเกิดจนถึงวันตายเช่นเราต้องเอาไตรลักษณ์เนี่ยมากำหนดให้ชัดแล้วเราเองจะรู้สึกเจ็บน้อยลงเรื่องจริงนะเราจะรู้สึกเจ็บน้อยลงไม่อย่างนั้นเวลาเจ็บ มันเจ็บเข้ากระดองใจนะธรรมาเคยได้ยินไม่ทราบว่ามันมีกระดองจริงหรือเปล่านะใจนะเขาบอกเจ็บถึงกระดองใจมันคล้ายๆเต่าหรือเปล่าก็ไม่ทราบใจมีกระดองด้วยหรือรู้สึกเราสร้างขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนั่นนะถ้าความมั่นหมายเรามีมากเวลาเจ็บเจ็บลึกเจ็บนาน ได้เจ็บกว่าใครรู้สึกว่าเจ็บกว่าคนอื่นจริงๆแล้วไม่ความโง่มากก็เจ็บมากความโง่น้อยก็เจ็บน้อยไม่โง่ก็ไม่เจ็บเอาเศษเหล็กเศษกระเบื้องมันบาดกายแต่เศษอารมณ์เนี่ยมันบาดใจพอไปสะดุด อารมณ์เข้ามันก็บาดเท่านั้นเองแต่มารู้แล้วอ๋อไอเศษปวดเศษแก้วมันบาดกายที่มันบาดคนอยู่ทุกวันนี้นเศษอารมณ์นะั่นนะบาดใจเหยียบตะปูภายนอกบอกเป็นบาด ท, ทยักมีสนิมบ้างมีเชื้อบาด ท, ทยัก แต่พอเสร็จอารมณ์บาดใจเนี่ยมันไม่ใช่บาดทยักนะมันกลายเป็นยักษมันเป็นพยาปาทะก็ได้ทำไมเราต้องอยู่ให้เสร็จอารมณ์บาดใจก็บอกไงว่าสุขทุกข์จริงๆมันก็เป็นเรื่องของภพชาติอีกนะกำหนดจริงๆเธอโยม เอาเมื่อสามวันก่อนห้าวันก่อนเจ็ดวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนเราก็เคยสุขเคยทุกข์กันมาเคยสมหวังพิดหวังกันมาแล้วก็ยังเอาถิ่งนั้นนะมาเป็นแผลอีกโอ้ต่มาว่ามันไม่ถูกวิธีของการปฏิบัติธรรมใจมันมีแผลจริงหรือ ไม่มีอะนามธรรมามันเป็นแผลได้หรือเอางั้นโยมก็เอาดาบฟันอากาศด้มาดูว่ามันเลื่อนไหลหน่อยไหมไม่อะต่อให้ยงออาสีพ้นอากาศมันก็ไม่ติดมันก็ล่องลอยไปตามธรรมชาติของมันที่ติดก็คือ เราติดในพบเองเราเนี่ยปรุงจิตให้มันมีพบเราหยุดมันเองจริงๆมันมันไม่หยุดนะมันสัมผัสอะไรมันก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วลมพัดผ่านกายกายก็ไม่ติดลมแต่รู้ว่ามันเย็นมันสบายแบบไหนรู้ อารมณ์ที่รู้ทางใจเนี่ยรู้อารมณ์นี้มันสบายรู้โสมนัสเกิดมันก็ดีใจโทมนัสเกิดมันก็เสียใจรู้แต่อย่าให้มันถึงกับเป็นแผลหรือเกิดทุกข์มากหรือหลงอยู่ในพบในสุขนั้นมากหรือทุกข์มากไม่จำเป็นเลยฉะนั้นพวกเราเนี่ย เรียนธรรมะก็ต้องใช้ไตรลักษณ์เข้ามาธรรมะทุกข้อเนี่ยเอาไตรลักษณ์เข้ามาพิจารณาแล้วทุกอย่างจะจบจบลงที่ว่าสัพเพ ธ, ธรรมะอนัตตาหรือธรรมะอนัตตาทั้งหมดมันมันเป็นความว่างสิ่งทั้งหมด เชื่อไหมล่ะอย่าว่าแต่สุขหรือทุกข์ในเวทนาเนี่ยว่ามันไม่เที่ยงเลยแม้แต่สมาธิจิตที่เราทำฌานที่เราบำเพ็ญอยู่ไม่ว่ารูปฌานหรืออรูปฌานมันไม่ใช่เที่ยงนะความสงบยมคิดว่าเที่ยงหรือ แล้วคิดต่ออีกว่าความสงบนั้นเป็นของเราหรือจริงๆเปล่าเลยความสงบเป็นสภาวะหนึ่งของขณะจิตเท่านั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนไม่ให้ติดอยู่แม้แต่การทำฌานไม่ให้ติดอยู่แม้รูปฌานและอรูปฌานให้เจริญถึงวิปัสสนากรรมฐานยกขึ้นสู่ต ร, รลัก แล้วกำหนดแล้วจงปล่อยวางจนหมดจากนิมิตหมายแห่งความยึดเป็นอนิมิตะวิโมก ค, ความหลุดออกจากนิมิตทั้งหลายสบายอย่างนี้สบายสบายแต่สิ่งทั้งหมดเนี่ยเราต้องเรียนรู้แล้วก็สัมผัสรู้ แต่สภาพรู้จริงเนี่ยที่ยึดกันนำมาบอกรู้ไม่จริงนะรู้สุขรู้ทุกข์รู้นั่นรู้นี่รู้กายที่ยึดกันอยู่นั่นยังไม่รู้นะนั่นเขาเรียกว่าเป็นการเรียนรู้แต่ที่รู้จริงๆเนี่ยมันต้องรู้แจ้งรู้แจ้งคือปัญญารู้นำพานั่นคือวิชารู้จิตตานั่นแหละคือธรรมที่จะนำออกสู่ความหลุด จิตตาธรรมมาเนี่ยจะนำไปถึงที่สุดคือปัญญามันจะช่วยกันมันก็เป็นระบบของการทำงานเขาเรียกว่าทำเกื้อกูลจิตปัญญาก็เกื้อกูลให้เจริญสู่อริยมรรยผลยิ่งเข้าใจยิ่งเข้าใจเหมือนที่ พระพุทธเจ้าเคยแสดงว่าสู่ทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตราการตาในราชรถพวกคนเขามกมุ่นอยู่แต่ผู้รู้ทั้งหลายไม่คล่องอยู่เห็นไมเหมือนคนที่ไม่เจริญสติ ในกายพอเห็นรูปก็เหมือนราชรถที่ว่าโอ้โหสวยตระการตามากก็หลงสวยแต่พอกําหนดจริงๆรูปกายเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันก็เป็นอย่างที่เป็นนั่นแหละแต่มันก็มีสภาวะของมันที่แปร ى, แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปอีกสติจิต กำหนดได้ปัญญารู้แจ้งทมปรากฏอยู่เฉพาะหน้าแล้วสุขจะเกิดทุกข์จะเกิดนั่นมันเป็นของภพภูมิชาติที่เสวยอยู่ในอารมณ์จิตหนึ่งทำไมเราไม่กำหนดว่ามันเป็นสภาวะเกิดขึ้นในภพหนึ่งชาติหนึ่งเราจะแบ่งไอ้ภพชาตินี้ไปอีกเป็นอติตารม์อนาคตารมังี้เหรอ มันไม่ใช่ถ้ารู้จริงต้องเอาไตรลักษ์เข้ามากำหนดเวทนาจนเห็นว่าเวทนานั้นเป็นไตรลักษ์ยกขึ้นสู่ไตรลักษ์แล้วก็เห็นว่าสภาวะทั้งหมดมันไม่เที่ยงแตกดับ ทนอยู่ไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้แล้วก็สลายหรือแปรสภาพไปโยมดูคลื่นทะเลเป็นอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นดูให้ดีถ้าดูไม่ดีคลื่นทะเลจะหลอกคลื่นหนึ่งซัดเข้าสู่ฝั่งถ้าเราไม่กำหนดเราก็คิดว่ามันเที่ยงนะทะเลจริงไม่ใช่ มันเหมือนชีวิตหนึ่งตายเกิดตายเกิดทับถมเดินทับถมกันนะคลื่นในแต่ละลูกนะั่ะที่มันซัดเข้าหาฝั่งมันจบแล้วนะคลื่นลูกนั้นเป็นฟองน้ําแตกกระเซ็นหมดแล้วแต่ดูเหมือนคลื่นยังไม่จบถ้าวังวนแห่งโอฆะยังจมสัตว์ให้มีพบอยู่มันก็ซัดต่อสัดต่อสัตดต่อซัดผู้ไม่เข้าใจก็ไม่พิจารณาแต่ถ้าผู้พิจารณาเนนะ่ยใช่เลย เราเกิดมาอย่างนี้กี่ครั้งแล้วคลื่นกระทบฝั่งกี่ครั้งเราไม่เคยหยิบมาพิจารณาเรายังมองว่าสวยธรรมชาตินิสวยจริงเขาบอกแต่เราไม่ได้มองธรรมชาติแห่งความเกิดแก่เจบตายธรรมชาติแห่งเวทนาธรรมชาติแห่งกิตตาเราไม่เคยพิจารณาเลยและธรรมชาติแห่งธรรมาเป็นอย่างไรเปล่า เรามองแต่โลกียสุขเรามองแต่ภูมิของชีวิตมนุษย์ที่อยู่เพียงอาหารและกรรมคุณพร้อมกับทรัพย์สมบัติเราสแสวงหากันเพียงเท่านี้เองแต่มาไม่เห็นใครพ้นทุกสักคนเลยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีใครที่ก้าวออกจากทุกข์ได้จริงจริงๆความสุขของโลกีมันบทบังทุกไปชั่วขณะหนึ่งยมรู้ไหมความสุขของโลกีมนุษย์เราเนี่ยนะมันปกปิดความทุกข์ของมนุษย์ไปเพียงชั่วขณะกำหนดให้นิ่งเอาจิตตามดูย้อนตัวเองก็ได้ เราเคยสุขกี่ครั้งมาดูเหมือนความทุกข์ตอนนั้นมันหายไปนะเหมือนความดีใจมาแทนความเสียใจและแล้วความเสียใจก็มาเสียบแทงความดีใจและความดีใจก็มาเสียบแทงความเสียใจอีกเล่นอะไรกันจิตของเราเนี่ยมันเล่นอะไรอ๋อมันติดอยู่กับพบ ยินดีในการปรุงแต่งอ๋ออย่างนี้เองสังขารแห่งใจครองกับสังขารแห่งกายคนเรามีอยู่สองสังขาร น, นะสังขารแห่งกายที่นั่งอยู่สังขารแห่งกายครองอยู่กับสังขารแห่งใจครองมีอยู่ถ้าเรารู้ไม่ทันเนี่ยตัวเวทนาเรายึดสุขทุกข์ว่าเป็นจิต ว่าเป็นเราหลายคนเข้าใจว่าจิตเป็นเราด้วยนะสังเกตดูเถอะมันแหมมันมันเหมือนจริงๆไงนะมันเหมือนเหมือนจริงแล้วเราก็เข้าใจว่าจิตเป็นเราด้วยนะอธตรมาก็เข้าใจอย่างนั้นเหมือนกันเวลาเจ็บเนี่ยแหมพอจิตใจเจ็บนี่เรานี่เจ็บแหมเจ็บจนคลานไม่ไหวแล้วล่ะถูกเสียวก็ไปในใจนั่นนะ นี่ถ้าเขายิงใจได้แต่โดนยิงแหลกไว้แล้วเชื่อจะมาทำไมเราไม่มองว่าเวทนาเนะี่ยมันเกิดขึ้นโดยสภาพอารมณ์หนึ่งที่เป็นสุขเกิดขึ้นในสภาพอารมณ์หนึ่งที่เป็นทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์มันเป็นสภาพของการมาใช้ภพภูมิที่รู้ว่ามีสุขมีทุกข์มีดีใจเสียใจมีสมหวังผิดหวัง เราไม่ควรปรุงมากกว่านี้เพียงแต่ให้รู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้ความจริงเป็นอย่างนี้จิตเรารู้แล้วแล้วก็ปล่อยวางเสียอดีตทุกเมื่อวานมันจบก็คือจบอย่าให้มันเป็นแผลบอกแล้วอย่าให้ใจเป็นแผลพอเป็นแผลพอเขาสะกิดหน่อยเลือดซิปเลยนะแต่แต่ามาเชื่อทุกคนรู้สึกจะมีแผลใจมี วิธีเดียวใจหายเอาระเบิดใส่นะตู้มเดียวจบเลยหมดเรื่องไงจบให้ใจมันตายไปซะแต่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นตราบใดเรายังไม่มีปัญญาเราจะรักษาจิตของเราไม่ได้เพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสกระทบสัมผัสใจถูกต้องรู้อารมณ์แล้วมันเสียบเข้ามาทุกครั้ง คือในขณะที่มีผัสสะอายตนะภายในภายนอกพอเกิดขึ้นสติกําหนดตามรู้ดูไม่ทันตามจิตไม่ทันก็ไปหลงอยู่กับภูมิชาติที่เคยมีพบชาติที่เคยมีสุขทุกข์ที่เคยมีใจก็เคยยินดีพอใจและใจที่เคยยินร้ายไม่พอใจมันก็ฟูขึ้นมาสรุปว่าเรา ยังไม่กำหนดเวทนาว่าเป็นนามนธรรมไม่กำหนดเวทนาว่ามันเป็นสภาวะของจิตที่เกิดสุขเวทนาทุกขเวทนาหรือไม่สุขไม่ทุกข์ถ้ากำหนดไม่ได้เราก็พ้นทุกข์ไม่ได้เพราะเรายึดอยู่กับทุกข์และเราเองก็ยึดอยู่กับสุขของโลกีที่ยังหยาบเพราะสุขโลกีเนี่ยมัน บางอย่างบางเรื่องกลับมาเป็นเรื่องร้ายก็มีสุขวันนี้ของโลกีแต่เชื่อไหมว่าอีกหลายวันข้างหน้าเรื่องนี้จะนำความร้อนใจมาให้เรื่องนี้จะนำความเสื่อมเสียมาให้เรื่องนี้จะนำความทุกใหญ่หลวงมาให้ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะสุขของโลกีมันเหมือนกับ หยดน้ำบนกองไฟมันไม่ดับเย็นนะโยมแต่สุขของโลกุตระหรือสุขของพระอริยะเนี่ยเขาดับเย็นนะสุขของใจที่เย็นที่ดับจากเพลิงกิเลสทั้งหลายเนี่ยจึงใช้มาดับเย็น ของพวกเราตั้งน้โมตัดสานพระกุฏโตอรหัโตสมาสมุทธัสสานพระผู้มีภาคเจ้าตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองหรือเป็นผู้ไกลจากกิเลสมันยืนอยู่าาคนละฟากเลยอ่ะนี่ของพวกเราไม่ใช่อยู่าาคนละฟากฟากเดียวและแถมยังย็นอยู่ตรงนั้นเลยตรงใจมันเลยละ่ะสุดท้าย จิตของเราเองยังไม่มั่นพอพอมีสิ่งใดเข้ามากระทบสัมปัตตเราก็ปรุงสังขารแห่งใจเนี่ยปรุงแต่งมากปรุงไปสู่กินกามเกียรติมากปรุงไปสู่เหตุแห่งความเร่าร้อนในความเกิดแก่เจ็บตายปรุงไปสู่วัฏฏะแห่งความวนกลับมาสู่ความทุกข์อีก ติดในสม บ, บัติติดในบุคคลติดในยศติดในลาภก็สุดแล้วแต่ติดในชื่อติดในเกียรติล้วนแต่สิ่งนี้ไม่เที่ยงเลยแต่ว่าใจที่ไม่รู้แจ้งนั่นแหละก็ถูกมารเน่ยเขาก็หลอกเราไปเรื่อยๆนี่สุขนะนี่ดีนะนี่ของเรานะเธอควรรักให้มากเข้าไว้นะเธ อ, อยังให้ใครนะ สิ่งนี้สูญเสียไม่ได้นะเขาสอนให้เป็นเงืเง่อนตายหมดเลยอะ่ะทําไมไม่สอนเหมือนพระพุทธเจ้าสอนเออสิ่งนี้นะเกิดขึ้นเป็นของเราชั่วระยะหนึ่งแล้วก็มีความแตกดับไปนะเธอต้องยกจิตนะเธอต้องมีสตินะอินทรีย์แก่กล้าเ ม, มื่อไหร่มันละก่อนที่จะเกิดเรื่องด้วยซ้ำไปของพวกเราเนี่ยเรื่องเกิดแด่อย่างไม่ละไปกอดกองไฟแล้วบอกว่าร้อน ใครจะมาดับให้ได้เงมนุษย์เขาเปรียบเทียบไปหนะรูม้มโยมมนุษย์เปรียบเหมือนน้ำมันที่เขาราดอยู่บนศีรษะอยู่แล้วและถูกไฟในจุดติดอยู่แล้วนะทุกขร้อนนะ ท, นนะทุกร้อนมากแต่ยังวิ่งไปหาซับมันแม่นบอว่าแม่นนะมันต้องดับไฟก่อนที่แต่คนหลงไง ทกุก็ทุกว่าแต่ต้องวิ่งไปคว้าก่อนซับถามจริงคนมีปัญญาเขาจะดับไฟก่อนหรือไปหาซับก่อนพวกเราไม่ได้กำหนดความเกิดจริงๆถ้ากำหนดจริงนะเชื่อเถะดับไฟก่อนเรื่องการหาซับเนื้อหาทุกคนเลยโยมภูมิศาสตว์ดราชาสตมันยังหาปัจจัยสี่เลยที่อยู่อาศัยมันก็หานกยังธรรรัง เช้าจดคร่ำนะเช้าจดคร่ำเนะี่ยมันก็ออกหากินหากินเจ็บป่วยไขย้ยมรัวนกมันก็รู้จักสมุนไพรนะมันก็หายานี่คือปัจจัยที่เขาต้องดํารงชีวิตสัตว์ก็ต้องหาแหล่งน้ําสัตว์ก็ต้องไปหาแหล่งอาหารสัตว์ก็ต้องไปหา ทั้งนั้นเลยเขาไปหาแต่ธรรมชาติเขาสร้างเสื้อผ้าให้เขาอยู่แล้วก็คือขนหนังที่ห่อหุ้มอยู่ได้ขนทั้งหลายเราถูกสร้างมาอย่างเพื่อให้อยู่กับชีวิตที่ต้องรับในเรื่องของกรรมวิบากได้เพราะเขาเกิดในสภาพกรรมตรงนั้นเขาต้องอยู่ได้ถ้าอยู่ไม่ได้คือหมดกรรม ถ้านั่นเองจบแต่ของเราในตอนนี้สร้างบุญบารมีแทนเป็นโอกาสที่สูงสุดพอเราเข้าใจสปปรรพสิ่งทุกอย่างมันก็ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้ใจของยมดับตามด้วยแล้วจบเลยอันนี้ของของเราพิจารณาธรทำนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใจไม่ดับอะใจมันเกิด ยังเกิดปารีคะเกิดมานะเกิดทิฏฐิเกิดอวิชาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานมันไม่ดับพอไม่ดับไตรลักษ์เนี่ยมันก็อย่างเขาเรียกว่ามันยังไม่สมบูรณ์แบบท่านถ้าสมบูรณ์แบบรูปนามมันก็ต้องดับพอดับเสร็จพบภูมิชาติที่เรานั่งดูรู้เห็นอยู่เนี่ยนะใครเดินเข้ามาใครพูดได้ยินสัมผัสอะไรเนะี่ยโอ้เรามีสติเต็มรอบเลย ไม่กล้าหัวเราะดังเชื่อจะมาไหมล่ะเอาให้สติเต็มที่จอไม่กล้านะหัวเราะดังๆจนน้ำตาไหลออกมาเนี่ยเรามีสติแล้วหรือปล่อยเสียงโฮแบบเสียใจโศกเศร้าถึงกับร่ำไห้อย่างน้ำตาแตกมากมายไก่กองเนี่ยมันไม่ใช่นะคนปฏิบัติเขาหันมองเล ย, เยมันไม่ใช่ พอให้บอกว่าทมฌานอยู่สิบปีนะนะถ้าเกิดอาการนี้แต่มามองบอกไม่ใช่คนนี้จิตมันไม่เอาเลยเนี่ยจิตมันไม่ใช่จิตมันไม่ใช่นะมันแกลงเหลือเกินจิตมันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่ในายโยมมันก็ไม่ใช่จะปฏิบัติมากี่พพกี่แรมปีมันก็ไม่ใช่รรรใชหรือปฏิบัติมานาน แต่วาจายังหยาบมันก็ไม่ใช่ถึงบอกว่าใช่มันก็ไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่ศีลต้องรับรองด้วยเราจะมาทุกทักเองมาเรา บ, บริสุทธ์เองพูดเองที่พูดไปนี่เป็นธรรมะออกมาจากหัวใจบอกไม่ใช่มันต้องออกมาจากศีลหัวใจของพวกเรามันเคยชั่วมายมเชื่อหลืว่ามันจะดีที่บอกพูดา จ, จากใจจากใจดมาเชื่อในะใจชั่วนนะนะอย่าไปคิดนะว่าพูดจากใจและบริสุทธ หลอกนะใจของเราหรือบริสุทธิ์โอ้โหลึกๆเนี่ยมันมีศาสวะเป็นเครื่องหมักดองพระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าให้เราทำลายศาสวะแม้พระพุทธเจ้าเองในวิชาสามในปัจฉิมยามทำลายศาสวะกิเลสญาณที่เกิดรู้ว่าบัตนีิอสศวะขยานเกิด เราได้ทํำลายเสร็จแล้วสารสวัสดิกิเลสหมดแล้วรู้แล้วยาแห่งการทําลายสาสวัสดิ์แจ้งแล้วอันรู้แจ้งแล้วฉะนั้นอย่าไปเชื่อนะใจของพวกเราเลยนะพูดออกมาเนี่ยศีลต้องรับรองถ้าศีลไม่รับรองเนะี่ยอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อคนมีธรรมะต้องพูดเป็นธรรมเจ้าพูดเป็นธรรมบอกฉันเนี่ยพูดเป็นธรรมะอย่าไปเชื่อ ทำต้องรับร <ไป S 2> องสภาวะธรรมคนมีปัญญาพูดเนี่ยเขาไม่พูดแบบจําเจซ้ำซากแบบพูดอยู่ที่เดิมที่เดียวเหมือนเดิมอย่างเดียวอไม่ใช่อ่ะคนมีปัญญาเขาไม่สร้างเหตุการณ์และไม่สร้างสถานการณ์เขาอยู่อย่างแบบอิจระไม่ผูกมัด และก็รู้วิธีดับทุกข์ด้วยนั่นแหละคือมุนีจริงๆนะมายอมรับเป็นผู้มีสระอย่างแท้เลยเอาละท้ายที่สุดขอญาตโยมผู้ฟังทมทั้งหลายยงเป็นผู้มีความเจริญและความสุขในธรรมโดยทั่วถึงทุกขั้นทุกคนเทินขอเจริญพร